ลูกชายอะพระเจ้าอะไรที่ที่ไปฆ่าสกยะวิทูตภะแล้วก็ปกครองอยู่แป๊บเดียวตัวเองก็ตายแล้ะแล้วอำนาจถัดจากนั้นก็งอนเงง่อนเงีนเต็มทีในที่สุดก็ไม่นานล่มสลายอาณาจักรของแคว้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยพอพระเจ้ า, าชาติศัตรูสิสิ้นอำนาจลูกตุกลูกก็พ่อตระกูลฆ่าพ่อ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 มาส่งไปด้วยพระดำรัสว่าพ่อเอ๋ยพระเจ้าอาชาตศัตรูทรงเก็บพระบรมธาตุแล้วเจ้าจงตั้งกองรักษาการนั้นเอาไว้ที่นั้นวิสุกรรมเทพบุทรต่อมาก็ประกอบหุ่นยนต์ที่มีโครงร่างร้ายด้วยรูปไม้หุ่นยนต์ถือพระขันสีแก้วผลึกในห้องบรมธาตุเคลื่อนตัวได้เร็วสเสมอลมพัดก็เหมือนว่ามีเครื่องจักรกลทางานอยู่ในนั้นตลอดเลยนะ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 มาถังหนึ่งแล้วก็หมดสิจบกันเลยนะแค่นี้มันถือว่าแหมมันเรียกว่าอาภัยสุดๆด้วยงั้นนะแทนที่จะตกอเวจีไปแค่โลหะกุมพีถูกก็เรียกว่าเหมือนว่าถูกต้มน้ําร้อนนี่สูบลงไปสามหมื่นปีแล้วก็โผล่อีกสา 0,000 ื่นปีก็พ้นละตอนหลังก็จะได้เป็นพระพเจ้ากับพุ้ถเจ้าแต่ว่าตรงนี้ท่านไม่บอกว่าโอ้โหทำบุญขนาดนี้ยังตกนรกไม่ได้ตกเพราะทาบุญนะตกเพราะทาบาปมันคนละกรณีกันเนี่ยนะจะเอาบุญไปปนบาปเอาบาปไปปนบุญไม่ได้คนละคนละอย่างกันน่ยนะ เพราะเสร็จแล้วในยุคมนุษย์ยุคนั้นก็ตายหายกันไปหมดทีนี้ต่อมาภายหลังประมาณ200กว่าปีเมื่ออโศกราชกุมารถลิงราชสมบัติเป็นพระธรรมราชานามว่าอาโศกพระองค์ก็ได้รับเอาพระบรมธาตุเหล่านั้นเอาไว้แล้วก็สร้างสถจธทําให้แพร่หลายทีนี้วิธีการกระจายพระธาตุให้แพร่หลายของพระเจ้าอาโศกทําอย่างไร ก็บอกว่าพระเจ้าอโศกนั้นท่านอาศัยนิโครสัมมนี ค, มนคือนิโครสัมมณีเนี่ยทำให้พระองค์เลื่อมใสในพระศ า, าสนาพระองค์ก็โปรดให้สร้างวิหาร8400มพันวิหารแล้วก็ตรัสถามภิกษุสงฆ์ว่าโยมให้สร้างวิหารทั้ง8ป0 0 0ืันวิหารแล้วแล้วยมจะเอาพระบรมธาตุมาจากไหนเจ้าข้าคือท่านสร้างสร้างวัดด้วยสร้างเจดีย์ด้วยไว้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยแปดหมพันแห่งเนี่ยและจะเอาพระธาตุที่ไหนไปบรรจุตามที่ต่างๆ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 เพราะนั้นช่วงระหว่างนั้นเนี่ยก็อาศัยจดหมายเหตุบ้างอาศัยอะไรบ้างอาศัยศิลาจารึกอาศัยลายลักอย่างก็เลยมีการคนได้อาศัยนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษเนี่ยนะมันก็แสดงว่าพระเจ้าทรงนั้นจารึกไปทุกแห่งในในในในชมพูทวีป น, นะแล้วก็โดยเฉพาะไปตามหาพระธาตุนี่อันหนึ่งแล้วก็ไปในมัสการสังเวชนียสถานแล้วก็มีเสาศิลาจารึกแล้วเขียนบทความว่า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 ในที่ชื่อโน้นบ้างไหมเสร็จแล้วก็ประชุมพระเถระมีองค์หนึ่งมีอายุ120ปีกล่าวว่าอาตมาภาพไม่รู้ว่าที่เก็บพระธาตุเนี่ยอยู่ที่โน้นไม่รู้หรอกว่าเก็บที่ไหนแต่พระมหาเถระบิดาอาตมาภาพหมายว่าบิดาหมายาว่าคนที่ให้บวชนะนะบิดาคือคือหมายาว่าผู้ที่ให้บวชอุปช า, าจารย์เนี่ยให้อาตมาภาพใครจะว่าให้อาตมาภาพตอนอายุเจขวบถือหีบมาลายัยถือถือพวงมาลัยเนี่ย แล้วก็กล่าวบอกมาหนี้สัมเมเนนระหว่างระหว่างกอไม้ตรงโน้นมีสตูปหินอยู่เราไปกันที่นั้นเถิดและไปเพื่อบูชาไปบูชาตรงสตูปหินท่านก็พูดสัมเมนนเนนนะท่านพูดว่าสัมเมเนนควรพิจารณาที่ตรงนี้ซึ่งพระเทระรูปนั้นเนี่ยสั่งไว้จําตรงนี้เอาไว้ให้ดีพิจารณาแปลว่ากําหนดจดจําอย่าให้เคลื่อนนะอย่าให้ลืมนะตรงนี้นะสำคัญนะและเอาดอกไม้บูชา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 ไอ้ใครที่รู้เวทมนต์คาถามาสินะมาก็มาเส้นมาสวงเข้าก็ไม่เห็นนะที่สุดมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แม้ผีอันนี้ไม่ไม่หยุดเลยนะก็เครื่องยนต์นะ่ะมันจะไปไา่มนยังไงให้หยุดนะคนละอย่างกันนะเน่ยนะเศกคาถาเป่าก็แล้วเนะี่ยนะโยนก็ไม่หมดก็เลยทำไงดีเหลือวิธีสุดท้ายก็บวงสวงเทวดาแล้วันนี้ นมัส ก, การนอบน้อมเทวดาเขเรียกวบวงสรวงนะว่าข้าพเจ้ารับเอาพระบรมธาตุแล้วนี้แล้วบรรจุไว้ในพระวิหารแปดหมืสี่พันวิหารจักรธรรมสักการะบูชาเนี่ยนะขอเทวดาอย่าทําอันตรายแก่ข้าพเจ้าเลยเนี่ยนะไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเราอยกหมอผีก็แล้วคนเข้าไปก็ตายอย่างเดียวเนี่ยนะไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยบวงสรวงเทวดาไะ ท้าวสกกะเทวราชเสด็จจาริกไปเห็นพระเจ้าอาโศกนั้นแล้วก็เรียกวิสุกรรมเทพบุตรมาสั่งว่าพ่อเอ้ยที่จริงเนี่ยนะเวลาสองรอกว่าปีเนี่ยมันเ็แค่สองวันของดาวพฤดึงเองไนงะแป๊บเดียวเองนะสองวันเองนะมันก็เรียกเพิ่งสั่งงานทําไปสองวันเนี่วันนี้ไปรื้อละอย่งเง น, นนะแล้วก็เขาไปสั่งให้ล็อกกุญแจไว้สองวันอนะ่ะในพุกปุ่นปืนนี้ไปไขแล้วกันย่งเงนะวิสุกรรมเทพบุตรนะได้รับคําสั่งว่าพระเจ้าธรมาราชาโศกหรือว่าพระเจ้า รรมราชาอสโศกจากนำพระบรมธาตุไปเพราะฉะนั้นเจ้าจงลงไปสู่บริเวณรูปไม้หุ่นยนต์เสียคือไปทำลายนั้นซะทำลายไอ้ อ, องค์ครักษพิทักษ์นะที่เป็นหุ่นยนซะวิสุกรรมเทพระบุตรนั้นก็แปลงเพศเป็นเด็กชาวบ้านมีจุกมีผมนี่มีห้าจุกอยู่เลยนะยังไม่โกนจุกว่างั้นเนะเสร็จแล้วก็ยืนถือธนูตรงพระพักพ ร, ราชาบอกว่าเดี๋ยวข้าพงจะนาไปมหาราช ราชาบอกนาไปคือมันก็กล้ากับเพื่อนน่ยนะเออดูเท่าท่าเทางเออพาไปไหนก็แล้วกันวิสุกรรมเทพบุตรก็จับศรยิงตรงที่ผูกหุ่นยนต์แค่ว่ายิงไปยิงต้องยิงที่เชือกนะนะยิงไปที่เชือกก็ตัดเชือกซะก็เหมือนกับว่ารถเนี่ยนะถ้าแบบไปตัดโซ่ตัดอะไรซะเหมือนจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าตัดโซ่ตัดเฟืองไปมันก็หมดแล้วใช่ไหมตัดที่โซ่ตัดที่เฟืองตัดตัวที่มันตัวองค์ประกอบข้อต่อซะมันก็ทําลายหมดละ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 เขาเอ่ยชื่อได้ถูกด้วยใช่ไหมล่ะจ่าเรียกว่าพระราชาตกยากแม้มาหาว่าเรายากจนเนี่ยนะนจริงเขามีอํานาจมากเลยนะแต่จริงอ่ะตอนท่านนี่ก็จนจริงแหละเสร็จแล้วพระองค์ก็เคาะซ้ําๆกันเพื่อให้ประตูเปิดเข้าไปภายในเรือนประทีปที่ตามไว้เมื่อ218ปีก็พปร่งอยู่ประทีปก็สว่างอยู่อย่างนั้นคือไอ้ระบบเกี่ยวกับเรื่องสร้างเมืองเป็นหุ่นยนต์เนี่ยนะในในเมืองใต้ดินเนี่ย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 โอ้ยพอเห็นบทความนี้เข้าท่านก็บอกท่านผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้ามหาคสปะเห็นตัวเราแล้วทรงคู่พระหัตถ์ซ้ายปรบมือดีใจมากเลยนะนี่แหมนึกว่าเราเนี่ยทำแบบพละการนะั่นไม่ใช่นะพระเทระรุ่นก่อนนั่นเห็นเราแลนะ้วนว่าเราจะมาทําอย่างนี้ดีใจมากนะเท้าเธอเว้นเพียงพระบรมธาตุที่ปกปิดไว้ในที่นั้นเสร็จแล้วก็นําพระบรมธาตุทั้งหมดที่เหลือมาหมดแล้วก็ปิดเรือนพระบรมธาตุ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 ไว้ข้างบนแล้วก็บรรจุพร ะ, ะนะัพัก ส, ส, สำหรับพระาธาตุที่มาก็มาแบ่งไว้แปดหมื่นสี่พันิหารพระเจ้าอาโศกวา้พระมหาเถระก็ถามว่าท่านเจ้าข้าบัดนี้โยมได้เป็นทายาทคือผู้รับมรดกในพระศาสนาหรื อ, อยังพระมหาเถระก็คือคิดน่ะนะคือพระเทระเนี่ยคำตอบทุกคำมันมีผลคือเนื่องจากว่าไอคำตอบตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะว่าเห็นเววของ พระมหินเถระกับพระนางสังฆมิตรานี่สองท่านเนี่ยจะมีอุปการะคุณต่อศาสนามหาศาลเพราะฉะนั้นโอกาสแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะง่ายๆนะที่พระเจ้าโศกกรเปิดเอ่ยทาปากถามแบบนี้นะก็เลยทีอโอกาสบอกอุย้ยพระองค์ยังเป็นคนนอกอยู่ แล้วจะเป็นทายาทได้อย่างไรเล่าก็โยมเนี่ยเห็นไหมโยมบริจาคทรัพย์ตั้งเก้าสิบหกโกดสร้างวิหารไว้ตั้งแปดหมสี่พันวิหารขนาดนี้ไม่เป็นทายาทแล้วใครจะเป็นทายาทกันนานั้นนี่ในขนานี้ยังไม่ได้รับมรดกในาศาสนาแล้วใครจะได้รับละ่ะพระเถระทั้งหลายก็บอกว่าขอถวายพระพรมหาบาพิตรพระองค์นี้ชื่อว่าปัจจะยะทายกคนให้ปัจจัยแต่ว่าที่ถูกเนี่ยนะคนที่เป็นทายาทจริงก็ต้องให้บวชบวุตรหรือทิดาของตน จึงจะได้ชื่อว่าเป็นทายาทในพระศาสนาจริงก็จะสงเคราะห์พระมหินทเถระเนี่ยนะท้าเธอก็เลยให้บวชพระโอรสและพระธิดาพระมหินทเถระก็เป็นคนที่นําพระพุทธศาสนาไปสู่เมืองลังกาซึ่งทุกวันนี้เขาก็เคารพพระมหินทเถระกับพระนางสังขมิตาเนี่ยมากเนยนะมีรูปปั้นรูปปั้นพระมหินทเถระรูปปั้นของพระนางสังขมิตาเนี่จวบจนปัจจุบันนะครั้งนั้นพระเถระก็ พระองค์ว่าบัดนี้มหาบาพิษเป็นทายาทในพระศาสนาแล้วเพราะอะไรเพราะให้อะไรให้พระโอรสพระธิดาบวชแล้วเนี่ยนะมันก็รายละเอียดพระศาสนาก็แพร่หลายกระจายเนี่ยนะแห่พันแห่งที่ที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะก็กระจายไปตามประเทศต่างๆตามสถานที่ต่างๆมนุษย์เทวมนุษย์อัญเชิญไปบ้างเทวดาอัญเชิญไปบ้าง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 วันนี้แหละอาวาสานไะ่